หกสิบอุปาทานโคจกะสาสสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุหตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมี9้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระเจ็ิบห้ากิเลสโคจกะสามสสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลส อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระแปดสิบสามทศเนนะปหาตภะทุกะสามสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวะธรรมที่มิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาอาศัย the สภาวะธรรมทีม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและที่มิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาอาศัยสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมา เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียหวาระอรมณปัจจัยมีสองวาร ะ, ร ะ, จจาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระแปดบ ภาวนายะปหาตพะทุกะสามสิบหกสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้งบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคบื้งบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้งบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคบื้งบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามและที่ม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้งบนสาม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 เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณ์ปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระแปดสิบห้าทัศเนนะปหาตภะเหตุุกะทุกะสาสิบเจสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีก้าวาระอระมาณะปัจจัยมีหกวาระอธิปฏปิปัจจัยมีห้าวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระแปิหก ภาวนายะปหาตัปพาเหตุุกระทุกระสามสิบแปดสภาวธรรมท pattern, ี่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุถูปัจจัยนิ้่าวาระ อารามณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระแปิบเจดถึงแปสิบปดสวิตากะทุ ก, กะเป็นต้นสาสิบเสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีหกวาระอาเสวณะปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสี่สิสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีหกวาระมาเสวนาปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระแปดสถึงเก้าสิองซับี้เตือกะทุกตะเป็นต้นสี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปีติ อาศัยสภาวธรรมที่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสะภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงปุเรชาติปัจจัย e มีหกวาระอาศัยวันปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระสี่สิบสอง สภาวธรรมที่ไม่สโครคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่สโครคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สโครคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระอาศัยวินปัจจัยมีหกวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีเก้าวาระ43สาสภาวธรรมที่ไม่สหรรคด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่โสหรรคด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่โสหรรคด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุป like. ัจจัยมีเก้าวาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระ อาเสยวัณปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสี่สิบสี่สภาวธรรมที่ไม่สหรรคตูเบขาอาศัยสภาวธรรมที่โสหรรคตูเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่สหรรคตูเบขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่โสหรรคตูเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจ ย, ย่อ เหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงปุริชาตปัจจัยมีหกวาระอาเสวนะปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระเก้าสิบสามถึงเก้าสิบห้ากามาวจระทุกกะเป็นต้นสี่สิบห้าสภาวธรรมที่มีเป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นกลามาวจรอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมี๙วาระอารมณปัจจัยมี่วาระอธิปติปัจจัยมีาวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีกวาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมีงวาระอาเสวนปัจจัยมีงวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสี่สิบหกสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณ์ปัจจัยมีสี่วาระ อธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีหวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระ 47. สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระ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 อวิคตาปัจจัยมีห้าวาระเก้าสิบหปริยาปันนทุกกะสี่สิบแปดสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่นับหนึ่งเ น, น ว, ะะจจวัตทุกอาศัยสภาวธรรมที่นับหนึ่งเนวัตะทุก์เกิดขึ้นเพราะเหตุปปตัวปัจใจสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่นับหนึงนะะ่งเนวัตทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งเนวัตทุขเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจใจสภาวธรรมที่ไม่ใช่นับหนึ่งเนวัตะทุก อาศัยสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งเหนือวัตทุกเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่ใช่นับหนึ่งเหนือวัตทุกและที่ไม่ใช่ไม่นับหนึ่งเหนือวัตทุกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งเหนือวัตทุกเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่นับหนึ่งเหนือวัตทุกอาศัยสภาวธรรมที่นับหนึ่งเหนือวัตทุก์และที่ไม่นับหนึ่งเหนือวัตทุ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระ อารามณะปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระเก้าสิบเจ็ดนิยานิกระทุกกะสี่สิบเก้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตถุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุขและที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์เปิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระ98ด นิยตตะทุกกะห้นน า, าสิบสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลแน่นอนอาศ er ัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนและที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้น เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระธรรมะปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระเก้าสอุตระทุกกะห้าสเอ็ดสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวะธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและที่ไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิยคตตปัจจัยมีห้าวาระหนึ่งรอยสรณทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระห้าสิบสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตวร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้และที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตรองห่ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้และที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีห <Hang> น <uin> ึ่งวาระละถึงปวิคตาปัจจัยมีห้าวาระ ปัจจญียะนัเหตุปัจจัยห้าสิบสามสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้เกิดขึ้นเพราะนันเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้เกิดขึ้นเพราะนัเหตุปัจจัยย่อนัเหตุปัจจัยมีสองวาระนั่นอรมณปัจจัยมีสามวาระ ณทิปฏิปัจจัยมีหวา ร, ระและถึงนปุเรชาติปัจใจมีสี่วาระและถึงนกรรมปัจจัยมีสองวาระและถึงณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรีย์ปัจจัยมีหนึ่งวาระนชาเนปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระและถึงโนวิคตาปัจจัยมีสวาระ พึงขยายสหชาติวาระปัจจยาวาระนิจยวาระสังสัตถาวาระและสัมยุญตาวาระให้พิดารเหมือนกับปฏิจจวาระหนึ่งร้อาระทุกะเจปัญหาวาระห้าสิบสี่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัตวดร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุ ป, ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที pues ่ er. ไม่ใช่ไม่เ <broke> ป็นเหตุให้จ <bum> uh ัด huh ร้องไห้โดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้และที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้โดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้โดยเหตุตุปปัจจัยห้าสิบห้า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 สหชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีเจดวาระอุปาณิสยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระอัศวินปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหารัปัจจัยมีสี่วาระละถึง มรรคปัจจัยมีสี่วาระสมยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระปัจจิยุทธาระห้สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตวดร้องไห้โดยอรมณปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปาเนสยปัจจัย ชัจฉาชาตปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตวดร้องไห้เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัย่อห้าสิบเจ็ดณเหตุปัจจัยมีเจดวาระณอารมณปัจจัยมีเจดวาระณอธิปฏิปัจจัยมีเจดวาระณอนันตระปัจจัยมีเจดวาระ ละถึงณสหชาตะปัจจัยม uh ีห hey ้าวาระณอัญญามัญญปัจจัยมีห้าวาระณนิสยาปัจจัยมีห้าวาระละถึงณปุเรชาตะปัจจัยมีหกวาระละถึงณสัมบยุตตปัจจัยมีห้าวาระณวิบยุตตปัจใจมีสี่วาระละถึงโนอวิคตาปัจใจมีสี่วาระณอาระมณปัจจใจขเภทุกปัจใจมีสี่วาระย่อ อารมณะปัจจัยกับนเหตุปั จ, จัจมีสี่วาระย่อพึงขยายให้พิจารเหมือนปัญหาวาระในกุชละติกะธํามานุโลมปัจจนียะทุกกะปัฐานจบ อภิธรรมปิดกธรรมานุโลมปัจจิยะทุกขะตึกระปัฐานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งเหตุทุกขะหนึ่งกุศละตึกระหนึ่งกุศลบทหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นหนึ่งสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระจิตตสมุทฐานรูปเท่านั้น อารมณปัจจัยมีไม่ได้เหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสหชาตวาระและถึงนิสยวาระเหมือนประปิตจวาระสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอารมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เ MM ป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอารมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศล โดยอารมณปัจจัยมีสามวาระย่อสเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอานันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาตะปัจจัยมีสามวาระนิเชยปัจจัยมีสามวาระอุปนิเชียปัจจัยมีเก้าวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระ ธรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึงขยายปัญหาวาระให้พิจาราลออากุชละบทหนึ่งถึง7ปฏิจจาวาระเป็นต้นส สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจย่อ เหตุป uh ัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสหชาตะวาระละถึงมิจยวาระเหมือนกับปฏิจัวาระห้สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปันจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศลโดยอารมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศลโดยอารมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศล โดยอรมณปัจจัยมีสามวาระย่อ 6. เฮตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณะปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยมี9้าวาระสมนันตระปัจจัยมี9้าวาระสหชาติปัจจัยมีสมวาระนิสยปัจจัยมีสมวาระอุปนิสยปัจจัยมี9้าวาระปัจจัชาตาปัจจัยมีสามวาระ ธรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาราปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยมีสมวาระชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสาวาระ 3. อภิยาตะบท 3. ปัจจัยวาระ 7. สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอภิยากฤิต อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอภยกฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึงขยายนิจยะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิดาราหนึ่งเหตุทุกขะสองเวทนาติกะแสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมพยุติโดยสุขเวทนา อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจ ยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระปรมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึงขยายสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิสดารเกสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อ เหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจาราส 10. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยจุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปัจุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ ทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิจาราหนึ่งเหตุทุกกะสาวิปากะติีกะสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุหตให้เกิดวิบาก อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจเหตุปัจใจมีสามวาระและถึงอวิัตะปปัจใจมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจัยเหตุปัจัยมีสามวาระ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 สิสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส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 เหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุทุกกะหวิตกะตืกะสิบสี่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีทั้งวิตตกระวิจจานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตตและวิจจานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุกปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุทุกกะเจ็ดปีติทุกกะ 15. สิบห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สหรคตรด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคตรด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเหตุตุปปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สหรคปด้เบคาอาศัยสภาวธรรมที <Dollar> <tells myself |translate|> ่เป็นเหตุซึ่งสหรคปด้เบคาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเหตุตุปปัจจัยมีสามวาระ และถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุทุกกะ 8. ปทัศนติกะสิบหสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาศอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุ ซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตะปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย่ยอเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุทุกกะเก้าทัชนะเหตุติกกะสิบเจ็ด สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหา ร, าร e ด้วยโสดาปิมะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเหตุทุกกะสิบอาจยะคามิติกะสิบแปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตตะปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที re, <tym S 1> hmm. ่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุใหถึงปฏิสนธิจุติและนิพพาน เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุทุกกะสิบเอ็ดเศรษาตุกะสิบเก้าสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสขารุคคลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเศคารุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของอาศขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของอเศขบุคคลเกิดขึ้<า>เนเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นของเาศขบุคคลและอเสขาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเสชาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุทุกกะสิองปริตติกะยี่สิบสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นปริตฐะอาิัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นปริตฐะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นมหคัตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหคัตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอปมานะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอปมานะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุทุกกะสิบสามปริตรามณะติอกะยี่สิเอ็ดสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีปริตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเ พ, นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งไม่ใช่มีมหาคัตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมหาคัตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจใจละสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีอปปามะณเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอปปามะณเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเหตุุปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุตุทุกกะสิบสี่หินนาติกะยี่สิบสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นชั้นต่ำอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นชั้นต่ำเกิดขึ้นเ พ, พราะเหตุตุปัจจัยเหตุตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นชั้นกลาง อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นชั้นกลางเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นชั้นปราณีอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นชั้นปราณีเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเหตุุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ หนึ 1> 1. ่งเหตุทุกกะสิบห้ามิฉัตะนิยตติกะยี่สิบสามสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยและสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอน อาศัยสภาวะธรรมที <and sexual availability> ่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจใจละสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยเหตุุปปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ หนึ 1> 1. ่งเหตุทุกขะสิบหกมัคารมณะติกะยี่สิบสี่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีมัคเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมัคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจยและสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีมัคเป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรม pueblo, ที ismus, ่เป็นเหตุซึ่งมีมัคเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัย ทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีมักเป็นอธิปดีอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมักเป็นอธิปดีเกิดขึ้นเพราะเหตุถปัจจัยเหตุถปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุถทุกกะสิบเจ็ดอุปนนติกะยี่สิบห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งยังไม่เกิดขึ้น เป็นป ah er ัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ยังไม่เกิดขึ้นโดยระมณะปัจจัยระมณะปัจจัยมีกลาววาระอธิปฏิปัจจัยมีกลาววาระอุปาินียปัจจัยมีกลาววาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่จกเกิดขึ้นแน่นอนโดยระมณปัจจัยระมณะปัจจัยมีกลาวาระ อธิตติปัจจัยมีเก้าวาระอปานิสยปัจจัยมีก้าวาระหนึ่งเหตุทุกกะสิบปดอาติตติกะยี่สิบหกสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอดีตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอดีตโดยอารมณปัจจัยอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีก้าวาระอาาระนันตระปัจจัยมีเก้าวาระ ละถึงอุปนณิสยปัจจัยมีกลาวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีกลาวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอนาคตเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอนาคตโดยรมณะปัจจัยธรรมณะปัจจัยมีกลาวาระอธทิตติปัจจัยมีกลาววาระอุปนณิสยปัจจัยมีกลาวาระหนึ่งเหตุทุทุกะสิเก้า อติตารมณติกะยี่สิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเหตุตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิภตตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจัจเหตุตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจัจเหตุตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุทุกกะยี่สิบ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุทุกกะยี่สิบเอ็ดส น, นิทสนะตุกะยี่สิบเกสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นได้และกระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้โดยรมณปัจจัย สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นได้และกระทบได้เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้โดยอารมณปัจจัยอารมณะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอุปนิเสียปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระอวิคตตปัจจัยมีสามวาระ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 อวิคตะปัจจัยมีสามวาระ 2. สองเหตุกุกะทุกกะหนึ่งกุศลติกะสามสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่ม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอัยยากฤษตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอภยยากฤษตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสเหตุสัมปยุตตะทุกกะหนึ่งปุชละดึกกะสาสิบเอ็ด สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยเหตุุปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่วิปวิจักขเหตุซึ่งไม่เป็นอพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่วิปวิจักเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดข <cam> <tam TR ole> ึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สเหตุเสหตุกะทุกกะหนึ่งบุสละตืกะสามสสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอรมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุและที่ม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศล โดยอารมะณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุมิใช่ไม่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุมิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอรมะณปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีเหตุและที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอรมะณปัจจัย สภาวธรรมที่มีเหตุแต e ่ไม <king> ่เป right ็นเหตุซึ่งเป็นก okay. ุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุมิใช่ไม่มีเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุมิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอารมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุ มีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ใใสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอารมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีเหตุททหตและที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุ มีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ Smooth. ไม่เป็นเหตุมิใช่ไม่มีเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุมิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอรารมณะปัจจัยอารมณะปัจจ네ัยมีฆ <ry>. ่าวาระอธิป um. ต <the> ิปัจ <inv> จ <ad S 1> ัยม <ast landfill. S 2> ีฆ่าวาระอนันตระปัจจัยมีฆาวาระสัมนันตระปัจจัยมีก้าวาระอุปนณิชยปัจจัยมีฆ่าวาระ นัตถิปัจจใจมีกลาวาระวิคตระปัจจใจมีกลาวาระสาสสภาวธรรมที่เป็นเหต ja. ุและที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศลโดยอารมณปัจจั ย, ยโดยอุบายนี้เพิงเพิ่มเป็นกลาววาระอ า, ารมณะปัจจใจมีกลาวาระอนันตร์ปัจจใจมีกลาวาระ สมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระอุปปานิสยปัจจัยมีเก้าวาระนัตถิปัจจัยมีเก้าวาระวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสามสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุซึ่งเป็นอภยากฤิเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิโดยอรมณะปัจจัยเพิ่มเพิ่มเป็นเก้าวาระอรมณะปัจจัยมีเก้าวาระ อธิปติปัจจใจมีกลาวาระปุปาเนสยปัจจใจมีกลาวาระย่อเหตุเหตุหตสัมปยุตตทุกกะเหมือนกับเหตุจเหตุกะทุกกะยอ่อมีกลาววาระหกนเหตุจเหตุกะทุกกะหนึ่งอุชลติกะสาสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศล